ผู้มีใจจริงในการสมาทานศีลมักถูกหลงใจเสมอจะรักษาความตั้งใจในการรักษาศีลให้สาเร็จได้อย่างไรคนเราพอตั้งใจรักษาศีลมักตั้งใจกันตอนอารมณ์ดีๆกาลังรู้สึกสบายๆไม่มีอะไรให้ต้องฝืนเลยนึกว่าข้างหน้าคงง่ายๆแค่ห้ามใจนิดหน่อย ต่อเมื่อเจอของจริงสิ่งยั่วยุที่จับต้องได้สติก็ขาดผึงอารม์มากง่ายหน้ามือต่อสิ่งเรากลับมาครอบงำให้หมดความยังคิดได้แบบเฉียบพลันเหมือนเดิมทางออกที่เป็นไปได้จริงในการรักษาความตั้งใจคือทำสมทานศีลที่สมบูรณ์โดยอธิษฐานสมถานสองครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวดังเคยครั้งแรกต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังทําเรื่องศักดิ์สิทธิ์เช่นถวายสังฆทานแล้วรับศีลจากพระหรือโสดิปิโสบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นจึงตั้งจิตคิดว่าวันนี้จะไม่ผิดศีลข้อไหนบ้างอย่าเมารวม ม, มั่วๆว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลเพราะธรรมดาคารวะอาจจาเป็นต้องมีบางข้อที่บางอาชีพบีบให้ด่างพร้อยหรือทะลุ การสมาทานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีในย่าสำคัญคือจะเป็นหลักเป็นความสว่างอันมั่นคงนำทางให้จิตก่อให้เกิดกำลังใจแน่ใจว่ามีกุศลธรรมหนุนหลังครั้งที่สองเมื่อเกิดเรื่องลองใจโยยุให้พระพิผิดจะทางกายหรือทางวาจาก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับของจริงแล้วให้ดูใจตัวเองว่า คิดจะยอมหรือพร้อมจะสู้ไม่ว่าอยากยอมหรืออยากสู้ให้สู้ท่าเดียวด้วยความคิดว่าเนี่ยละ่ะคือโอกาสสมาทานศีลครั้งที่สองอันจะมีของจริงเป็นพยานและเป็นเครื่องยืนยันสนับสนุนว่าคุณเอาจริงไม่ใช่แค่คิดๆ ค, ความมั่นคงทางใจที่เกิดขึ้นหลังสมาทานศีลครั้งที่สองจะยกระดับสติขึ้น เหนือการสมาทานศีลแบบง่ายในครั้งแรกคุณจะรู้สึกถึงความสว่างราวกับมีเทวดานางฟ้ายืนหนุนหลังหลังจากสมาทานครั้งที่สองได้หนเดียว ก, รก็ราวกับศีลที่รักษาได้ข้อนั้นๆกลายเป็นเรื่องไม่ยากไปตลอดชีวิตที่เหลือเมื่อรักษาศีลข้อใดสําเร็จได้จริงคุณจะรู้สึกเหมือนมีพลังใหญ่อันส่งเสริมสติและปัญญาบังเกิดขึ้น หมายความว่าเมื่อตั้งใจปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในชีวิตตนเองเช่นอยากตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อทำสวดมนต์สมาธิอยากเลิกพูดพล่าำเพ้อเจอ้ออยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างมีสติก็จะรู้สึกว่ามีกําลังใจมีความสามารถทำได้ไม่ใช่แค่นึกก็รู้สึกท้อเหมือนที่ผ่านๆมานั่นก็เพราะศีลเป็นบุญใหญ่ เป็นพลังสำคัญของชีวิตไม่ใช่ของเล็กของเล่นเหมือนที่ไกลๆเข้าใจกัน